ปีพุทธศักราช2494พันศาที่7ท่านจำพรนษาที่เสนาสนะป่าห้วยสายอําเภอคำเชออีอีจังหวัดนครพนมปลายปีพุทธศักราช2493ถึง2494เราได้ติดตามท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปัโนถุดงท่องเที่ยวกรรมาฐานเดินตั้งแต่เช้ายันค่ำแม้ยากลำบากแต่เราก็เต็มใจเพราะคิดว่า เรามาสู้สงครามสงครามโลกแต่ไม่ใช่โลกข้างนอกโลกในตัวเราขันทันโลกโลกคือขันห้าถ้าผู้ไดชนะตนท่านเรียกว่าดีกว่าชนะสงครามภายนอกหลายเท่าโลกที่เขาใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ฆ่ากันก็เป็นอีกพวกหนึ่งแต่ปัญหาของเราโลกอันนี้ขันทันโลกสู้กับอำนาจฝ่ายต่ำที่มันดึงเราลงไปทางต่ำภาษาธรรมะท่านเรียกว่าเป็นกิเลส ในสมัยครั้งกระโนนสมัยเมื่อไปอยู่ในป่าในเขาเราจะไปอาศัยอะไรอะไรมันก็แสน จ, จะยากต้องเอากระบอกไม้ไผ่แทนถ้วยแก้วและกาน้ำไปมาสะดวกดีไม่ต้องระมัดระวังเพียงแต่รักษาเครื่องอัฐบริการเท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องเกี่ยวข้องหมายความว่าไปอย่างง่ายๆไม่ต้องกังวลในเรื่องอื่นๆมาพิจารณาถึงตัวเรานึกในใจเราให้มากขึ้น ถ้าเรามีสติจดจ่ออยู่ตลอดไม่นานก็จะเกิดความสงบได้สติง่ายในระยะนี้จําเป็นเหลือเกินที่เราจะพยายามให้มันเกิดขึ้นรู้จักเรื่องของตัวเองจึงจะมีความเมตตาสงสารตัวเองเกิดขึ้นในจิตใจของเราถ้าจิตใจรู้รสของพระธรรมสักอย่างหนึ่งพอคิดถึงการกระทําซึ่งเราได้กระทํามาตั้งแต่เรารู้เดียงสามาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ จะเกิดสงสารตัวเองจนน้ำตาไหลว่าการกระทา ม, มาหรือความคิดความเห็นมาแต่ก่อนโอ้ยน่าสลดน่าสังเวชห่างกันเหมือนฟ้ากับดินเมื่อเราดําเนินจิตไปสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความเหลวแหลกของจิตใจที่มันเป็นมาแล้วแต่ปางหลังจิตใจก็ยังไปถึงคุณธรรมได้อย่างดูเดิมมีธรรมะมากเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งบริสุทธิ์ผุดผ่องมากขึ้นเท่านั้น เราได้ติดตามท่านอาจารย์มหาบัวทุดงไปทางบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดพุกดาหารและได้อยู่จำพรรษาหนึ่งพรรษาท่านพระอาจารย์มหาบัวท่านอยู่ในวัยหนุ่มร่างกายแข็งแรงปราดเปรียวทำความเพียรเป็นแบบอย่างในทุกอิริยาบถเป็นที่พึ่งอันมั่นคงของพระเนนเหมือนอย่างที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสั่งลาก่อนปีที่ท่านจะนิพพานว่า เมื่อเราตายให้หมู่เพื่อนพึ่งมหาบัวท่านอาจารย์มหาบัวเข้มงวดกวดขันกับพระเนนที่ไปปฏิบัติกับท่านมากยามค่ำคืนท่านจะเดินตรวจพระเนนในวัดโดยไม่ใช้ไฟฉายตรวจดูว่ารูปไหนทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนารูปไหนไม่ทำความเพียรแผดเผากิเลสถ้ามองเห็นไฟจุดอยู่ท่านจะไม่เดินเข้าไปถ้ารูปใดดับไฟ ท่านจะเดินเข้าไปใต้ถุนกุฏิเงียบๆและฟังเสียงว่านอนหรือว่าปฏิบัติสมาธิภาวนาเพราะถ้านอนหลับเสียงหายใจจะดังแรงแผ่วออกมาเพราะบรรยากาศยามค่ำคืนเงียบสงัดในสมัยนั้นสมถะสันโดษมากกระโถนใช้กระบอกไม้ไผ่เสนาสนากุฏิกันด้วยใบตองและฟางแม้กุฏิท่านอาจารย์มหาบัวเองก็ยังเป็นฟากมงด้วยหญ้าคาประตูหน้าต่างทำเป็นงวงฝาแถบใบตอง ผลักไปมาหรือเวิร์กออกแล้วก็คํำเอาข้อปฏิบัติที่ท่านถือเคร่งในยุคนั้นคือปฏิบัติอย่างหยาบๆห้ามนอนก่อนสีทุ่มถ้าใครนอนก่อนสีทุ่มต้องตื่นขึ้นมาทำความเพียรก่อนตีสี่ถ้าผิดจากนี้ได้ตักเตือนถึงสามครั้งถ้าทำไม่ได้ท่านจะไล่หนีจากวัดนั้นทันทีพระกรรมฐานยุคห้วยทรายโดยท่านอาจารย์มหาบัวเป็นผู้นาปฏิปาทาถอดแบบมาจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ยุคน้องผือทุกกระเบียดนิ้วท่านตีและเข็นพระเนนโดยไม่ได้เห็นแฉหน้าภาคเพียรเป็นอย่างมากวันคืนที่ผ่านไปล้วนแต่ประกอบกจิตภาวนาในอิรียบ ท, ทั้งสยืนเดินนั่งนอนประกอบความภาคเพียรด้วยสติปัญญาตลอดมองไปทางด้านใดเห็นพระเนนต่างเร่งความเพียรเหมือนว่าจะสิ้นกิเอกันไปหมดทุกคนกิริยาแห่งความขี้เกียจขี้คร้านไม่มีให้เห็น ทุกรูปทุกนามต่างก็เร่งความเพียรเหมือนจะสิ้นจิเลสในวันนี้หรือพรุ่งนี้เรื่องอาหารการขบฉันชาวบ้านเขามีอะไรเขาก็ถวายตามมีตามเกิดอย่างเช่นกบเขียดเพียงตัวเดียวแบ่งใส่บาดพระเนนได้ถึงสี่รูปมะเขือรูปเดียวเขาจะแบ่งใส่บาดพระเนนได้ถึงสี่รูปในยามแห้งแลง้งน้าในบ่อก็เหือดแห้งต้องเดินไปตักน้าถึงสกิโลเมตรน้าป่าเนะ ก็ได้อาศัยแก่นไม้รากไม้ตามธรรมชาติให้พระเนนนำมาต้มให้ฉันนานๆทีจะมีน้ำอ้อยสักก้อนหนึ่งบางปีพระเนนป่วยเป็นไข้ามาลาเรียกันทั้งวัดหรือบางทีพระเนนทั้งวัดป่วยกันหมดคงเหลือแต่ท่านอาจารย์มหาบัวกับพระอีกรูปหนึ่งเมื่อพระเนนป่วยกันหมดท่านอาจารย์มหาบัวท่านก็เป็นผู้ปฎิกวาดลานวัดเสเองตักน้ำเองขัดถูสลาเองตั้งน้ำใช้น้ำฉันเอง ในสมัยนั้นหลวงปู่มหาบุญมีสิริธโรท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยมีเนร์นอยู่สององค์อาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรก็อยู่ที่นั่นเราอยู่ที่ห้วยทรายป่วยเป็นไข้ามาลาเรียอย่างหนักและแทบจะเอาชีวิตไม่รอดถึงกับผมร่วงป่วยหนักเป็นเวลา22เดือนอีกสองเดือนก็ครบสองปีจึงคิดว่าทํายังไงถึงจะหายไขย้จึงถามสามเณรเล่นๆว่าเนรน้อยเอออะไรหนอ มันผิดสัมแดงไขมาลรเรียเนนจึงตอบออกมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจว่ามะพร้าวครับอาจารย์เพียงคำพูดของสมานเนร น, น้อยนี้เท่านั้นจึงคิดว่าถ้าบิณฑ บ, บาตได้มะพร้าวจะกินให้มันตายไปเลยเพราะจริงๆแล้วมะพร้ากกับไข้มารเรียเป็นของแสลงเป็นที่สุดครั้นรุ่งเช้าคณะออกไปบิณฑ บ, บาตกับเพื่อนมองไปที่ต้นมะพร้าวมะพร้าวอ่อนทลายใหญ่ๆก็ขาดตกลงมาเสียงดังโตม เหมือนดังผีหรือเทวดาฟ้าเด่นกันแกล้งทลายมะพร้าวที่ขาดตกลงมาลักษณะนี้ชาวบ้านเขาถือกันว่าเป็นเสนียดเป็นจันไรเขาไม่เอาไปกินจึงนำมาถวายพระที่วัดแบ่งกันได้องค์ละสองลูกคิดว่าวันนี้ละจะได้รู้กันเราเป็นไข้ป่ามันทรมานมานานวันถ้าฉันมะพร้าวแล้วมันจะผิดสําแดงเราจะฉันเพื่อให้มันผิดสําแดงมะพร้าวสองลูก เราฉันจนหมดเกลี้ยงเลยพอฉันเข้าไปเท่านั้นแหละหน้าเมิดแรงแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆตัวสั่นเทิมไปทั้งกายชักกระตุกแงกๆล้มลงทันทีสลบสไลดเป็นเวลาสามวันสามคืนหลวงปู่มหาบุญมีสิริธโรท่านเป็นหมอยาสมุนไพรแผนโบราณเก่าเห็นอาการของเราเข้าหน้าเป็นห่วงอย่างนั้นท่านจึงเอาช้อนงัดปากให้อ้าขึ้นแล้วกรอกยาลงไปเดชบุญโรคนั้นไม่นานนัก ก็หายขาดอย่างน่าอัศจรรย์เหลือเชื่อต่อจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งวันทั้งคืนตั้งสัจจะไว้ว่าถ้านกแซงแซลยังไม่ร้องก็จะไม่ลุกจากอาสนะและไม่เปลี่ยนอิริยาบทห้ามไม่ให้เปลี่ยนอิริยาบทโดยเด็ดขาดนั่งอยู่ท่าใดก็ให้มันนั่งอยู่ท่านั้นคือต้องการค้นหาอริยสัจหาทุกขเวทนาว่ามันจะมากสักเท่าไหร่ถ้าหากเมื่อถึงเวลา เราจะเป็นจะตายมันยิ่งจะมากมายยิ่งกว่านี้ดูจิตของตัวเองว่าเราจะอดทนสู้ได้หรือไม่จะมีสติพินิษฐ์พิจารณาใครครัวในเรื่องเหล่านั้นได้แค่ไหนเพียงใดเรียกได้ว่าเป็นการทดสอบตัวเองแต่ว่าการนั่งสมาธิจะพอกลางคืนก็ไม่เผ็ดร้อนสักเท่าไหร่เวลานั่งทั้งวันทั้งคืนและไม่ต้องฉันอาหารเอออันนี้เผ็ดร้อนมากทีเดียว เราปฏิบัติอย่างเข้มงวดตลอด22คืนคือจากตะวันตกดินจนถึงรุ่งเช้าวันใหม่บางครั้งนั่งไม่ลุก6วัน6คืนบางครั้งนั่งสมาธิเฉพาะตอนกลางคืนส่วนตอนกลางวันเดินจงกรมและช่วยหมู่เพื่อนทำการงานส่วนอุบายทำต่างๆท่านอาจารย์มหาบัวเป็นผู้แนะนำพร่ำสอนจิตใจของเรามีหน้าที่ที่ต้องคิดต้องนึก ต้องพิจารณาหาหนทางออกไปจากทุกขทางที่จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ผุดผ่องสดชื่นเบิกบานนั้นยังมีอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ค้นคว้าไปตามหลักความจริงที่เรียกว่าอริยสัจธรรมหรือหาทางออกของจิตที่แนบเนียนที่สุดจิตใจตัวนี้แหละเป็นผู้หลงแต่ผู้เดียวไปยึดถือสิ่งต่างๆของทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเครื่องใช้เป็นปัจจัยอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่ง ทั้งหมดที่เกี่ยวกับกายวาจาใจถือว่าเป็นเครื่องใช้ชั่วคราวทั้งสิ้นแต่ถ้าหากจิตใจไม่มีปัญญาก็เลยใช้ไม่เป็นเลยไปยึดไปหมายนึกว่าเป็นของจีรังยั่งยืนจนกระทั่งเดือดร้อนวุ่นวายตนเองหนักทับถมตนเองอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาถ้าจิตใจไม่เห็นเองมันไม่ยอมง่ายง่ายหรอกเรื่องของจิตเคยวนเวียนตายเกิดมาสักเท่าไหร่โชคชนมาสักเท่าไหร่ในโลกก้อนนี้ เรื่องของธรรมะก็เหมือนกันถ้าหากไม่เข้าถึงจิตตราบใดมันก็ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวมันก็ไม่ยอมรับได้ยินแต่สัญญาความจําบอกว่าธรรมะเหล่านี้เป็นรูปนั้นวิธีนี้ให้ผลแบบนั้นแบบนี้ถ้าหากจิตยังไม่ได้ดูดดื่มรสของพระธรรมก่อนมันต้องอาศัยความดูดดื่มรสของพระธรรมจิตใจเข้าถึงธรรมะธรรมะเข้าถึงจิตใจก็ถึงขั้นตัดสินใจตนเองได้ตามหลักสัจธรรม ถ้าหากไม่รู้เองเห็นเองแล้วเป็นไม่ยอมวางง่ายๆจิตไม่ยอมละวางถ้าเทียบทางโลกง่ายๆหมายความว่าคนอื่นว่าไม่ยอมเชื่อง่ายๆอาจเชื่อบ้างแต่ไม่ลงถึงใจคือไม่เห็นชัดเจนเปรียบเทียบอย่างคนไปทอดแหงอมลงไปในน้ำจับถูกงูนึกว่าเป็นปลาไหลเลยจับจนแน่นพอยกขึ้นพ้นน้ารู้ว่าเป็นงูไม่รู้ว่ามือมันวางตั้งแต่เมื่อไรไม่ได้บอกให้มันวาง ใจมันสั่งให้วางตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะความกลัวลักษณะของจิตก็เหมือนกันร่างกายก้อนนี้ถ้าหากไม่เห็นโทษหรือความสวยงามซึ่งโลกนิยมกันยังไม่เห็นโทษเห็นภัยเกิดขึ้นกับจิตใจตนเองแล้วมันไม่ยอมละไม่ยอมวางง่ายๆเช่นยึดมั่นถือมั่นในร่างกายหรือทรัพย์สินติดแน่นอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมละไม่ยอมวางง่ายๆ ใครจะว่าอย่างไรก็ตามแม้เราบอกให้มันฟังมันก็ไม่ยอมฟังฉะนั้นบรรดานักปฏิบัติมาต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆตามภัยธรรมชาติก็อยากให้รู้สึกสำนึกในใจตัวเองว่าอยู่ในเมืองไปไหนก็ได้ขึ้นแต่รถเรือไม่ได้ออกกำลังนึกว่าเป็นความสุขอันหนึ่งถ้านอนสบายอยู่ก็นึกว่าเป็นความสุขอันหนึ่งความสุขในทางโลกอยู่ปราสาทวิมานสูงๆเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาว มีที่นั่งที่นอนอ่อนนุ่มมีเบาะมีฟูกใหญ่ก็นึกว่าดีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเห็นว่าเป็นของไม่ดีเพราะเป็นสิ่งล่อจิตใจให้หลงยึดมั่นถือมั่นในของเหล่านั้นจนเกินไปอาหารที่มีรสชาติอริดอร่อยกินมันละสองครั้งสามครั้งก็ว่าสนุกมีความสุขแต่พระพุทธองค์ท่านห้ามไว้เกรงว่าคนจะไปติดมัวเมาในสิ่งเหล่านี้จนเกินไปไม่ใช่ท่านห่วงหรือตนี แต่ประการใดแต่ท่านจากรักษาจิตใจคนอยากทนุถนอมให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมะไม่อยากให้ไปติดอยู่ในสิ่งของภายนอกเพียงแค่นั้นเมื่อจิตใจเราหดตัวเข้ามาสู่ความสงบมาพินิษพิจารณาถึงหลักความเป็นจริงเพราะว่าจิตวิญญาณเรานี้เวียน่หยตายเกิดมานับกับนับกันเขาจึงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างดีข้อสาคัญให้เราเข้าไปถึงจิตเท่านั้นแหละ มันจะบอกจะกล่าวหรือบางทียกเรื่องมาให้เห็นเลยคล้ายๆเขามาฉายหนังชี้แจงมีคนภาคให้พร้อมเป็นเรื่องของเราตายพบใดชาติใดเกิดมาเป็นคนชนิดใดแบบใดตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรต่อเนื่องกันไปเป็นสายเป็นภาพยนตร์เรื่องชีวิตของเราความเป็นมาแต่ชาติปางหลังถ้าจิตใจไม่เห็นโทษมันก็ไม่ยอมสละไม่ยอมวางง่าย แต่ต้องอาศัยสติคือความระลึกรู้ควบคุมอยู่ดูแลอยู่ตลอดรู้เท่าทันในเรื่องจิตตลอดเวลาในที่สุดมันก็ลงเองพอลงไปบ้างแล้วมันก็เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันมันก็พยายามวางเข้าไปไปนานๆจนแยกออกจากกันไปได้หลังจากนั้นต้องอาศัยปัญญาค้นคิด พ, พิจารณาให้รู้เรื่องพอขยับออกมาให้ห่างๆหน่อยเรามองเห็นได้ชัด ถ้าไปแทรกอยู่กับเขามองไม่ค่อยเห็นหรอกค่อยเห็นโทษไปเรื่อยๆจิตใจก็วางมาเรื่อยๆจนเข้าไปสู่ความสงบพอรวบรวมพลังของจิตใจได้อย่างว่ามานี้ปัญญามันก็เกิดขึ้นจากความสงบอันนี้เป็นของที่แน่นอนแจ้จิตใจได้ง่ายบอกแล้วมันยอมรับทันทีเลยเพราะว่ามันเห็นปัจจุบันนี้เรามองไม่ค่อยจะเห็นอะไรกัน เห็นแต่โลกปัจจุบันเห็นแต่ตาเนื้อถ้าเข้าไปถึงตาในแล้วละก็ไม่ต้องสอนกันยากหรอกทีนี้จิตใจมันยอมรับเองว่ามันผิดว่ามันเป็นผู้ผิดแต่ผู้เดียวสร้างสิ่งไม่ดีให้แก่ตนเองแล้วเดือดร้อนตัวเองเดี๋ยวมันก็หดตัวเข้ามารวมเป็นสมาธิเรื่อยแล้วก็รู้ความจริงแท้มากขึ้นเรื่อยๆยิ่งสลดยิ่งสังเวชขึ้นความสงบก็เลยเป็นของธรรมดาทาง่าย ถ้าหากพยายามฝึกหัดดัดแปลงเรื่อยๆไปมันก็เลยเป็นปกติจิตไม่ต้องนั่งสมาธิมันก็สงบอยู่อย่างนั้นเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาอยู่ในสมาธิขั้นพินิจพิจารณาถ้าหากจะเข้าจิตขาดจากสิ่งเหล่านี้เราก็เข้าไปได้แล้วก็ถอยออกมาอยู่จิตธรรมดาแต่ธรรมดาขั้นนี้ก็เป็นขั้นกลางๆหรืออุปจารสมาธิถ้าถอยออกมาขั้นคณิกะสมาธิมันก็อ่อนไป ไม่พอที่จะเห็นอัดเห็นทมได้ง่ายท่านลงมาในจิตธรรมดาทีนี้อย่าไปหันไปทางโลกเลยโดยมากท่านลงมาอยู่ในขั้นอุปจาระนี้แหละเป็นส่วนใหญ่การพินิษพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในขั้นนี้ถ้าเข้าไปสู่ขั้นลึกไปกว่านี้อย่างอัปปนาสมาธิก็พิจารณาอะไรไม่ได้คล้ายๆกับว่าเข้าไปฝึกเข้าไปฝึกฝนให้จิตใจมีพลังกล้าแข็ง ที่จะ พ, พิจารณาธรรมะขั้นละเอียดได้จนกว่าจะยกระดับของจิตออกจากภาวังอันนี้ไปได้ภาวังของจิตเป็นภพของจิตภาวังแปลว่าภพเพียงแต่คณิกะสมาธิก็เป็นภพของจิตอุปจาระก็เป็นภพของจิตอัปนาก็เป็นภพคือเป็นที่อยู่ยังอยู่ในกรอบของโลกอยู่โดยมากฤษีชีไพรท่านมักประพฤติปฏิบัติไปถึงขั้นนี้แหละ ก็เลยเห็นอยู่เพียงแค่นี้มองไม่เห็นโลกที่ลึกลับซับซ้อนไปกว่านั้นนอกจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงค้นคว้าพินิษฐพิจารณาจึงค่อยรู้เลยโลกเหล่านี้ไปเรียกว่าโลกุตระโลกขอย้อนพูดถึงชาวบ้านห้วยทรายชาวบ้านห้วยทรายนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้มีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีมีความเคารพนบนอบ้อมพระเนนเป็นอย่างมากเป็นนักภาวนา ภาวนาจนรู้วารจิตของผู้อื่นอย่างเช่นแม่ชีแจ้วเสียงล้ําภาวนาเจงถึงขั้นบอกได้เลยว่าพระองค์นี้คิดแบบนี้พระองค์นั้นคิดแบบนั้นสําหรับพระเนนแล้วจะน่ากลัวมากเพราะถ้าทําไม่ดีแม่ชีจะทักขึ้นทันทีหลังจากออกพรรษาก็พาการเดินทุ ด, ดงค์บุกป่าฝ่าดงที่ชาวบ้านเรียกว่าดงมะอีมีเราเป็นหัวหน้าและพระอีกสองสามรูป ในขณะที่เดินรอนแรมบุก ป, ป่าฝ่าดงอันหนาทึบเลาะไปตามหุบเขานั้นได้เจอฝูงควายป่าฝูงใหญ่เมื่อมันเห็นพระกรรมฐานจีวร อ, ออกสีดําคล้ําเดินมุดป่าโผลออกมาอย่างคล่องแคล่วมันเกิดความตกใจพระก็เกิดความตกใจกลัวต่างฝ่ายต่างโผลออกมาเจอกันด้วยสัญชตาตญาณป้องกันตัวฝูงควายป่ามันจึงวิ่งกลูเข้ามาหาพระโยกเขาอันแหลมคมวิ่งตรงเข้ามาหวังจะเหวีพระให้ตาย พระสองสามรูปตกใจวิ่งตเตลิดหนีหาที่กำบังส่วนเราเมื่อเห็นดังนั้นจึงตั้งสติหันหน้าใส่ฝูงควายป่าแล้วก็ชักร่มกดให้กลางออกฝูงควายป่าเมื่อวิ่งเข้ามาใกล้เห็นร่มกรดกลางออกเสียงดังพรึบตกใจวิ่งตเตลิดหนีเข้าป่านี้นับว่าเป็นปัญญาบา ร, รมีของเราผ่านเทือกเขาเตีย้ยเตีย้ยสลับซับซ้อนเป็นเขตแดนรอยต่อสมจังหวัดระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นป่าดงดิบมากล้ําไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติผ่านลําห้วยวังนองห้วยพุงใหญ่ห้วยเดือภูเขาหินเหล็กไฟภูเจ้าก้อภูถ้ำปล่องภูถ้ำเม่นและภูเขาเขียวที่เรียกกันในปัจจุบันนี้ว่าเขาผา้ํา ย, ย้อยยับยั้งอยู่ที่เขาผานํา ย, ย้อยเป็นเวลานา น, านพอสมควรแล้ว จึงแยกทางกันเที่ยวไปไปเ ว, วกตามป่าเขาส่วนเราเดินทางไปการาบคารวะหลวงปู่บัวสิริปุนโนที่วัดป่าสีไพรวันจังหวัดร้อยเอ็ดและได้ปฏิบัติอุปถากท่านในชีวิตมีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือมากที่สุดสององค์คือท่านพระอาจารย์มั่นภูริชโตและหลวงปู่บัวสิริปุนโนขอย้อนเท้าความหลังสักเล็กน้อยท่านพระอาจารย์มั่นได้เล่าในภายหลังว่า หลวงปู่บัวท่านได้โสดาบันตั้งแต่เป็นโยมแต่ให้หยุดภาวนาเสียก่อนเพราะวิถีจิตเพื่อมุ่งสู่ความดุดพ้นยังเดินไม่ถูกทางเดี๋ยวจะมีคนมาโปรดท้ายที่สุดแห่งพบชาติของหลวงปู่บัวสิริปุนโนท่านได้สนทนาธรรมขั้นสูงกับหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนตามคําทํานายของท่านพระจารย์มั่นนาวัดป่าแจ้วชุมพลอเพาเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครหลวงตามหาบัว ท่านแนะนำวิธีปฏิบัติให้ในตอนเย็นพอตอนเช้าท่านก็จบจิตรพรหมจรรย์เป็นพระอระหันต์องค์หนึ่งในบวรพระพุทธศาสนาข้อความตอนหนึ่งที่หลวงปู่บัวเล่าถวายหลวงตามหาบัวว่าผมจับอุบายธรรมที่ท่านอาจารย์แนะนำให้พิจารณาจิตเข้าปุ๊บเลยเพราะแต่ก่อนมันไม่รู้เข้าใจว่าตนเองสำเร็จแล้วได้แต่เฝ้ากันอยู่อย่างนั้นเสียแสดงว่าตนเองสาเร็จก็อยู่อย่างนั้นเสีย พอเอาอุบายรรมที่ท่านอาจารย์แนะนําเข้าใส่ปับ๊บปุ๊บโหไม่นานเลยปรากฏเหมือนกับคานกุติขาดยบลงตูมลงพื้นทันทีเหมือนกับว่าก้นกระแทกดินแต่ไม่เจ็บฮึบทีเดียวเลยแต่จิตมันไม่กังวลเพราะมันไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรในขณะนั้นพอจิตพิบลงทีเดียวเท่านั้นแหละนิ่งพอมันหายจากขณะนั้นแล้วจิตก็รู้ตัวออกมาข้างนอก มาก็รู้ว่าที่ว่าคารกุติขาดนั้นคือคารอวิชาขาดโอ้โหเวลานั้นมันพูดไม่ถูกเหมือนกับว่าเป็นคนละโลกผมเลยไม่นอนทั้งคืนผมกราบท่านอาจารย์ทั้งคืนเลยกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบท่านอาจารย์ตลอดทั้งคืนเลยผมไม่นอนจนกระทั่งสว่างถ้าพูดตามภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสเสวยดิมุติสุ อัศจรรย์ครูบาอาจารย์และพระธรรมเห็นคุณของท่านอาจารย์เห็นจริงๆเห็นชัดจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะท่านอาจารย์การปฏิบัติของผมจะไปไม่ถึงไหนเป็นเพราะเดชบุญจริงๆเมื่อหลวงปู่บัวเล่าถวายหลวงตามหาบัวแล้วก็กราบหลวงตามหาบัวกราบแล้วกราบเล่าอยู่อย่างนั้นนั้นเป็นความอัศจรรย์และเป็นธรรมโมเชปัญญาของหลวงปู่บัวสิริปุนโน ที่มีต่อหลวงตามหาบัวญานสัมปันโนสำหรับหลวงปู่บัวแล้วท่านไม่ได้เรียนเขียนอ่านอะไรท่านจึงเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกแต่ทำภายในของท่านลึกซึ้งหลวงปู่บัวกับหลวงปู่ศรีมหาวีโรมักไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอหลวงปู่ศรีมีความเคารพเลื่อมใสในหลวงปู่บัวสิริปุโนโนเป็นอย่างมากทั้งที่หลวงปู่ศรีเป็นครูมาก่อนนี่เพราะท่านเคารพกันด้วยคุณธรรมนั่นเอง